เธอมาแสนานานจึไม่กลาต้องคอยลบตาเธอเสมารู้สุกวันหนึ่งเธอรู้ว่าฉันปิดบังความจริงอะไรเอาไว้ความลับที่ฉันซ่อนไว้ไม่เคยบอกใครจะอดใจไม่ ฉันใกลเธอเท่าไรยิ่งอยากจะพล่อยใจเมื่อสบสายตาก็ยิ่งวันไหวมันยากเหลือเกินจะเก็บสอนความรักเอาไว้และความลับในใจของเธอมีฉันอยู่บ้างไหมโปรดบอกความใน มาคิดมาแอบคิดไปเองอยู่อย่างนี้คุ็เธอเธอทังดีแสนดีคำว่ารักเธอจะต้องเก็บไว้อีกนานแค่ไหนความลับที่ฉันซ่อนไว้ไม่เคยบอกใครจะอดใจไม่ไว ฉันใกลเธอเท่าไรยิ่งอยากจะเผยใจเมื่อสบสายตาก็ยิ่งหวั่นไหวมันยากเหลือเกินจะเก็บซ่อนความรักเอาไว้แล้วความลับในใจของเธอมีฉันอยู่บ้างไหมโปรดบอกความในใจให้ฉันรู้